เหนื่อยเหนื่อยล้าเย้าเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานั่นคือมนันสาหรับผัดดันจิตใจไม่อยากจะให้ไปถูกอาจถูกทำถูกความดีดีเสดเราต้องเตือนตัวของเราจิตที่มันบกคิดจิตทางอย่างนั้นไม่ตีว่าเป็นมามันเห็บมันปวดมันเหนื่อยมันล้าทำมาที่อยู่สอนไว้แบบ บาคนขันตินิยยะถ้าหากไมมีส่วนเหล่านี้ท่านจะมาสอนทำไมมันสะดวกสบายอยู่ทุกอย่างจะมีการขาพเพียนทำไมจะมีการอดทนทำไมมันต้องเป็นต้องไปทุกข่าทุกขันความยึดมั่นนีมั่นว่ามันจะหลุดออกได้ เราไม่ตรอสู้คงรู you you like right? ้ว cool ่าจิตใจของเราสูงต่ำดีชั่วขนาดไหนมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นกําลังทางสามารถของเราจะเพียงพอหรือไม่เราจะพิจารณาแบบใดจิตใจจึงจะละขอนี้ปล่อยวางได้เราต้องพิจารณาเรื่องของเราเองถ้าหากําลังทางจิตทางใจทางอัตทางความเพียวพอที่เลืมันก็ตกออกไปลู้ออกไป ได้ออกไปหายออกไปความยึดมั่นไม่มีทุกมันจะมีมาจากทุกมันเกิดขึ้นจากความยึดมั่นความผิวมั่นจิตมันเป็นทุกข์ถอาปล่อยได้าวางแล้พิจนารณาจิตจิควรอบรมฝึกฝนใจิตใจของต น, นควรจะมองข้าม เพราะจิตใจเป็นของสิ่งมีคุณค่าราคาดีเด่นเปเกิดสุดยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกหากฝึกบรวมจิตใจรู้เห็นเจนขึ้นจะเห็นคุณค่าไปตามลำดับเพียงแต่จิตสงบสงาแต่รับความสุขความสบายในวุ่นวายบอกควรตัวเองแต่ก่อน เคยปุงปรงอย่างนั้นอย่างนี้เพราจะฝึกหัดปฏิบัติอาจทรม้สึกหัดข้อเยอะการอ่านเวลาเยอะกว่าอย่างนั้นเยะกว่าอย่างนี้แต่พอเห็นอัตเเรนธนทมจากการปฏิบัติเธอได้รับรสชาติความสงบสงัดความปล่อยวางของใจเมื่อทำไป โ่ยเดือดกเกิดความสะดวกสบายขึ้นเป็นท้องน่าไม่มีอะไรมาถัดหวังยันใจก่อนโดยมากหากผู้เห็นผู้เป็นในจิตในใจทุกการทุกสมัยทุกวันทุกเวลามีความพอใจไข่คิดขับไหลใสส่งเรื่องที่เดียดตันหาทุกสีอาบุจะเดินจะนั่ง จะกินไะดื่มความคิดจิจกรรมจัดไหลเคลียร์ตั้นหาเนี่อยู่ทุกการทุกเวลานี่ยคือเราฝึกจิตของเราให้เป็นธรรม้าจิตของเรายังไม่เป็นธรรมมันก็ต้องอาศัยเป็นการเป็นเวลาคือฝึกตั้งหน้าเราจะทํา แต่บตรงไปมีแต่กิริยาทางกายถูกนะใจไม่เปลนไปคนที่ฝึกซ้อมตัวเองจนจิตเป็นมหาเจติทุกอิริยาบทไปในสถานที่ใดพูดอยู่ทาอยู่รู้อยู่สังขางรโงงขึ้นแทบแทบแทบเมื่อใดเข้าใจท่านเมื่อนั้นจะติดรึจะปล่อย มันก็ดับไปเรือยตามหลืของมันอันใดที่เราผ่อนใจจะเป็นสาระประโยชน์เราก็จับเอาไว้คิดารุงต่อไปถ้าหากจะปล่อยตามธรรมชาติของมันมันก็ดับเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับอยู่อย่างนน้นี่คือเรื่องของอสติเข้าไปถึงตัวของจิตเป็นอู่อย่างนั้นตัวของสัง้งฐานแต่พวกเรา ไม่เป็นอย่างนั้นตาไปเห็นหูได้ยินมันเหมือนกันกับเอาเหล็กหรือเอาทองแกแข็งไปขีดหูถึงหยุดขีดแล้วฟองขีด เ, เราขีดไปยังมีอยู่แต่ั่นผู้ขีดเป็นมนหาเศรษมหาปัญญาไม่เป็นอย่างเหมือนกันกันกบเราขนะีดน้ำก็ขีดไปถึงที่ไหน มันกดดับไปถึงนะไม่เห็นห่องรอยอะไรมีความคิดความปรุงข้องใจที่มีแต่ติดมีความจริงจังพออย่างคิดได้ปรุงได้แต่ไม่ติดไ น, น่มีหล่ารอยอะไรเหมือนนกบินบนอากาศตามไม่ได้ยิตที่กึดได้ดยอย่างนั้นละได้อย่างนั้นสอนได้อย่างนั้นเส้นจิตที่สบา จิตที่เยียดเยนเป็นจิตที่หน้าอาัศจรรย์พวกเราท่านทุกคนจิตประเภทนั้นมันมีอยู่ขอให้ภากันต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติจะรู้จะเห็นจะเตยมขึ้นจากจิตจิตยังเมื่มนุนถ้ารามรอย่างนี้ไม่ใช่ชั่วอื่นมันจะเห็นจะรู้ ยินจะเชื่อเลื่อมใสและยินดีเต็มใจในอดในธรรมชีวิตที่เกิดมาก็ม่เป็นโมฆะเป็นของที่มีสาระประโยชน์สิ่งใดที่เราควรประพฤติปฏิบัติเราได้ตรอพฤติปฏิบัติจนเห็นจนรู้จนหมดจนสิ้นความสงสยัยภายในใจ แล้วเราก็ไปมีการส่วงการส่งมีวิตต่อไปเพราะอยู่ไปอีกหมึ่นปีแสนปีอีทคาดีจะเกิดขึ้นอีกมีไหมมันบอกแล้วรู้แล้วลว่าความที่สุดของจิตที่สุดของธรรมที่สุดของการประพฤติปฏิบัติมีเชียแนแฉนี้จะประพฤติไปอย่างไรจะให้ดีไปอีกไม่ได้ จะให้เส so so ียไปไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้เจ้าห่วงจะห่วงอะไรในถาดในไข่ตายเมื่อไรทําบริสุทธิ์ที่เรารู้เราเห็นมันตกบริสุทธิ์อยู่มันไม่เด็จตายไปตามถาดตามไข่จึงไม่มีการห่วงการห่วงการยึดการถือที่เรายังห่วงยังห่วงยังยึดยังถืออยากจะมีชีวิตยืนยงคงอยู่ก็เพราะยังไม่รู้ไม่เห็น ท, ที่สุดจุดหมายลายทางของอัดของถับถ้าถึงทื่สุดดิมมุดแล้วความห่วงความหวงตายได้อยู่คุณขาดเถอกคันไม่มีอะไรเสียหายจะแนะนำข่ามสอนคนอื่นเขาเหลื่อมใส่ต่อเป็นอย่างจิตใจของเขาเพราะเศร้าหมองก็เป็นเรื่องของเขาเราเป็นอย่างไรเราทราบในตัวของเราอยู่มันจะไปเสียกับใครจะไปได้ต่ออะไรมันไม่มีมันหายสงสัย ทุกการทุกสมัยทุกวันทุกเวลาท่านจริไม่มีการห่วงการเสืออยากจะอยู่ต่อไปก็อไม่ว่าอยากจะตายไปก็อไม่จับแล้วแต่เรื่องของกรรมมันจะมาถึงเมื่อไรท่านไม่ติดข้องแลเรื่องของขาดของขันขอให้ฝึกให้อบอมให้เป็นอย่างนั้นจะรู้เห็นเด่นชัดในตัวเอง คำพูดของพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่านพูดไปจริงแท่อย่างไรเราจะทราบได้จากความบริสุทธิ์ของใจเราเองไม่ต้องไปซุ่มดาววาดเป็นอย่างนะเราเป็นอย่างนี้ให้ฝึกใ้อบรมไปเองทำไปเองามเำียนความเป็นประเด็นสง เหมือนกันกับเรารับทานอาหารเอาทานไปเถอมันอ่นจะรู้จักการปฏิบัติยังไม่ถึงที่สุดมิมุตินิทานเมื่อใดขอขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงให้รู้ให้เห็นให้เด่นใหะจักชัดเจนในจิตในใจของตนซึงเรียกว่าปัจจตตัง ในอย่างนั้นมีการสงสัยลังเลอยู่เสมอไปหยุดเพิกฤทธิ์ปฏิบัติหยุดจงใเก่ยามเกี่ยวขานั้ง่ายต่างๆให้ตออกไปใจเราสำลักได้จะใสจะเหลือวิสัยมอยู่ที่ใดก็ล้มเกี่ยวของกาเนี่ย เป็นส่วนใหญ่สันติใจพิจารณาเรื่องท้องกายเมื่อบนเรื่องท้องกายไปแล้วเรื่องท้องใจมันเป็นอย่างไรมันกว่าจะตามพิจารณาไปเหมือนกับไปที่มันหมดเชื่อจากส่วนนี้แล้วนั่นก็ไปนี้เชื่ออยู่ที่ไหนก็องไใหม่ไปเท่าไรเรื่องท้องกาเป็นเรื่องของทั้งทานที่ทุกท่านจะควรที่นีพิจารณาจะแยกพา เมื่อมันยงพอบริบูรหมดเรื่องของมันไม่ต้องบอกเมื่อมันจะปล่อยจะว่ามันจะต้องไล่เท้าจุดไห น, นอะไรทีไปเหลืออยู่ั้ก็จะจับฝนพนคิดพิจารณาจนหมดเรื่องจริงๆมันจะรู้มันหมดอย่างไร เมือม่อหมดแล้วมันกวจะต้องขอนใจไม่ต้องไปหาเพราะหามันหลงมันยังไม่รู้ยังไม่เห็นมันจึงหาแต่เพียงน่ะแต่ปวดถึงเหลือไม่มีผู้ อ, อ, อื่นจะมาทำให้การ น, นี้การสอนเป็นหนา้าที่ของท่านแต่นีจนน้จะสอนเด็ท่านสอนขอเป็น ทำพูดท่อขันเป็นเรื่องท่องันตัวเราเองสอนเราเองดักเราเองฝึกซ้อมเราเองเรรู้เองเห็นเองเป็นเองซึหล้วทานขอนบรุงตัดตาคือความเชื่อวิคือความเพียรสติคือความเลืปัญญาคือความวิจารณาณไมากเท่า เหล่านี้เป็นอาวุธสำหรั บ, บ, าบา ห, ห, หาักฐามเกี่ยวกัอปัญหาการใช้ได้ไประโยชน์มาได้ผลมาเราทุกท่านเมื่อได้สะดับแล้วฟังทำเกี่ยธิบายมาจงนำไปที่นิจิเลรมาเมื่อเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่สุดผมจงนำ ไปประกอบปฏิบัติาตามเพราะฉะนั้นเราจะมีทางสุขามเจริญเพราะยึดธรรมะอย่างนี้วัน น, นี้เป็นวันเทตกาลอยู่เป็นวันเข่าสะดับบีเขา่าปูแก่ฟอมแม่ตายายของพวกเราถือว่าเป็นวันสาคัญ เลยได้นะผิวซันมาแต่ไหนแต่ไรผิววันมีมาบริสุทิใก็ทำมุญกับบาตรวันนี้นี่เป็นแบบนี้ผวันมาเป็นแบบนี้ที่ดีอันนึงดุดดุดใจของพวกเรากกแ้วว่า ทำบุญคุณทานสายทำบุคุณทานในวันนี้ก็ถว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนอาศัยอยู่อายกิน เ, เพราะงานวันนี้ิว่าเป็นงานทำบุญคุิดในหกวเปกวกติกนทานรละดีเหล่ากันมาวันนี้เป็นวันพยาลยม รอยส น, นโลกของรับไหยะทานอย่างยามิเลีน้นงล้านนิสโอ ม, ม่งเป็นการเล่าถู่กันฟังมาแต่ตะ ก, กินเช็คอย่างไรนั้นพวกเราก็ไม่ทราบเพราะการทำบุญถุงทาน เป็นเรื่องดีอย่างหนึง้งหากเรนเ็ดผลเีนเรื่องที่จะทำปกติใหญ่ตัวไม่เคยใครคิดอยากจะทำกันเมื่อมีผู้พูดอย่างนั้นกู้ที่พอแม่ลมหายตายไปกูอยากตา ย, ายลมหายตายไปทู่ร้าน สามีภรรยาล่มหายตายไปถอนึกคิดถึงลูกถึงหลานสามีภรรยาถึงพ่อนีงแม่พยายามทำบุญต้นทานแกให้เนีย่ยคนล่มหายตายไปส่วนใหญ่พวกเราที่มียาณเวนาว่าท่านเหล่านั้นท่านจะไปเกิดในสถานที่ใดเพราะตายานของพวกเราไม่มีจาวว่าถึงไปไปดีหรือไปเั่ว แต่สิงอย่างไรพดีคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะว่าจะมีพ่อแม่เนี่ยะเดียงคนเดียวในปัจจุบันขน้นพ่อแม่ที่เคยเกิดเคยตายรวมกันอาจจะมีมากบางบ่นบางคนก็อาจจะไปเกิดดีสุขือไปเกิดสวรรค์ไปพอมาโลกนี้ต้องเร็จ กาที่ทไปแล้วก็อาจจะมีเพราะการเรียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารมันนานหนักหนาจนไหนตามากสี่ศับท์ี่กันมาแล้วกูตีไปตกทุกได้ยากเพราะอาจจะมีมากเหมือนกันแต่นั้นการทำบุญชุนทานอุทิตไปให้แกสับพิสัตแกตีไปสัตเป็นอย่างทางดีอันหนึ่ง เป็นบุญเป็นสุสนีต่อนหนึ่งนเรียกว่าปัตตานุโมทนาไม่หรือปฏิทานาไม่หรืที่บุญส่วนนได้แต่ทำบ่งเสงี่ไปให้แก่สัพพะสัตยวแก่เจตจิชนเรวยกแก่อะไรก็อะไรผั่วไปผัว เกียได้อนุโมธนาเกียาติวะปัตตานโมทนาฌานคืออนุโมทนาการบุญการกุศลจากคนอื่นบอกตําเรียเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนขึ้นเกินั้นวันนี้พวกเราที่ได้ตักบาตรจังหันทําบุญฝ่ายฌานได้รักษาศีลตลอดถึงระดรับฟล่างทำกรรมสั่งสอนของผู้ใช้จ้างฝ่ายฌานอุทิศบุญกุศล คือพวกเราได้แต่ทำบําเพนไปให้แต่พวกกับพระจัดพวกไปจะได้รับความสุขตายสุขใจเพราะโดยส่วนใหญ่พวกเใพใ่อแนพวกที่จกทุกได้ยากลําบากอนาถาการต า, ตาของคนผู้ที่หมีบุญวาสนาไ้จบลุกได้ยากลาบากอย่างนั้น ไม่มีการทำไรใช้นาไม่มีการขาดหายไม่มีการงานอันอื่นจะต้องอาศัยกรรมเป็นเื่องหล่อเลี้ยงชีวิตตามส่ตนทำไว้ถึงจะทุกข์ยากลำบากเส็นใจแต่ก็ไม่ตายแตไห้งาเพราะอาศัยกรรมหล่อเลี้ยงเอาไว้กรรมเป็นของสำคัญ คาิดดูอย่างพวกเราท่านที่อยู่ในทันของมานดาพวกเรามาเกิดถ้าหากแม่นี้กรรมหล่อเลี้ยงเอาไว้เราเกิดมาเป็นคนแล้วอย่างนี้เอาไปยัดใส่ในสุ่มในหายิปากไว้ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงต้องตายกันนี่เราอยู่ในทันอยู่ในท้องของแม่ต่้งหลายหาเดือนแต่ก็ไม่ตายกันเพราะกรรม เกี่ยงเอาไว้เขาก็ยังเติบใหญ่ขึ้นมาไดา้มีพวกเบลทั้งหลายขี่อาศัยกรรมถึงใจทุกยากลำบากไม่มียข่าวปลาอาหารเป็นเชืองอยู่เชืองกินต่อตามแต่กรรมเลี่ยงไว้เขาก็าไม่ตายกดยากยากจนอยู่อย่างนั้นแหละแต่เกิดเป็นเบลเป็นผี คือตามดีไม่มากตาชั่วไมมากฮะตาชั่วมากพวลงอยู่ในในรกําดีมากเปเศเป็นมนุษย์เป็นเศษประบุเศษเเที่ด่าไปเสียะยะที่มาเกิดมาเกิดป็นเศษเป็นตามอยู่ในระยะที่จะมาเป็นตักอีกคือจะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เศษตา ที่ทำไว้ยังไม่หายจําเป็นจะต้องมอองเัเกิดตเศษเศษนั้นคอยวันคอยคืนจะทําบุญคุ้นทานอย่างมนมุษย์เราไม่ได้จะฆ่าขายหาจีบส่วนอื่นไม่ได้จะ ต, ต้องอาศัยคนอื่นซึ่งเป็นญาติเป็เนนิกเป็นลูกเป็นหลานผู้ใจบุญข้างหลายผู้ชิดไปให้เศษนั้นถึงจะได้รับส่วนบุญส่วนผู้สน แล้วก็มีความสุขความสบายเราให้อาหารอุทอิตอาหารไปให้เด็กนั้นถึงไม่ได้กินเวทโตตัวเองแต่อำนาจบุญกุศลจิตทิศไปให้เด็กก็ได้รับอนุโมทนาเข้ากดีน้ําำํารามีความสุขความสบายเราได้ให้อะไรเป็นการอุทิศอนั้นไปให้เด็กนั้นได้รับอนุโมูลนาแล้วรู้สึกว่าสุข กว่าจะบายขึ้นบางทีก็ก้นไปจากํำเนิดของเปรเป็นเจตพบุตรเจตพิดาไปอย่างนี้ทางที่ท่านกล่าวไว้เรื่องของเปรตอยากให้เจา้าพินิจศาลนั่นกว่านานแสนนานจนนับไม่ถ้วนเจ้าที่อรจฉามับจะเป็นเจตอยู่นั้น คนจากนรกมาเป็นเศษคอยรอรับบุญกุศลถึงพระพุทธเจ้ามาจัดองค์หนึ่งตกเรียนถามแตนกว่า ย, ยังอยู่เรื่อยๆมาจนมาถึงพระเจ้าพุทธเจ้าที่เรีว่ามุูุสัสสนโธขันทรัพยากรให้ว่ายังอีนานพอท้องควรอยากทองขันจะมาเกิด เป็นมนุษย์สือพระเจ้าพิมพ์สานแล้งพวกพระเจ้าจะเกิดขึ้นในระยะนั้นสือโพดมระยะนั้นแหะพวกขันทั้งหลายจะได้รับส่วนบุญเป็นญาติาที่แฝงให้เปิดดีอกดีใจเหมือนจะได้ในวันสุ่มนี้พระได้ข่าวไปนะั้ท่าน พระพุทธเจ้าองค์นั้นตอนนี้นานไปกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตัดทะู้ขึ้นก็เป็นเวลานานแสนนานพระพุทธเจ้าสัดสระตัดโปตัดทะูก็มาเรียนถามอีกบอกว่ายังอีกกูนะธรรมโนตัดสโปสามพระองค์สิมะสิโคตมะโคตโม ถึงวันเวลาถวายที่ดินถวายสวนไม่ไข่สารุทธิยานของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ถวายทานต่างๆเรียกมาคอยรอรับบุญผู้ชนอย่างยากอยู่แต่เผลอยากคนอืมหลงไว้เสียพอทำบุญสุนทานก็ไม่ได้วิิตบุญผุ้ชนแต่ให้ เลยนะใจอะไรเพราะำบันดาลอย่างไรเลยซักเดือตอนเย็นมาเลยรอ้องไห้เสียวที่นึกในตลาดสวงางแล้วก็จัามือยิสามเลยเกิดตกท่าไทยคือเกิด ดีใจเกิดตัวขึ้นพอไปหาพระเจ้าพู้พุทเจา้าก็เลยบอกว่าเป็นญาติเกา่าแก่มาขอรับส่วนบุญมาาบวพิสได้ถวายทานถวายบีบินดาราต่างๆแจ่ามาอาบวพิเนี่ยในวิชุดบินสุสุนใจให้เจ้าพระเจ้าที่วิสานก็เลยทีมณฑ์พระพุทธเจ้าเป็นประธานวางเวทีสุสุน อาาาระราชานั่งรับไพรย์ทานสองขันธ์ในวันบุญคืนพอทาบุญต้นทางกับผูใ้ใจเจ้านี่ถ้าเรียสงสาววุฒิ่านั้นโถ ท, ทิพย์บุญไปให้เจตเหล่านั้นดีเอกดีใจมีอาหารเป็นพิเมีความสุขความสบายแต่ถ้าผ่อนจนสบายไม่มี มาเปลีตัวให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นพระเจ้าพิมพิสานก็เลยเขาเลยตัุพุทธเจ้าพุทธเจ้ากพราะว่าาบุญนะเขาพระเจ้าพิมพิสารก็ทำอีกถวายพวกข้าวส่วนสบายสงสรรค์เบ็ดเหล่านั้นก็มีเครื่องลุงพร้อมผมมาจปลี่ยนแปงตัวให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นเป็นเบ็ดพระบุเรเปนบดพระธิดาเท่านะแต่ใจเป็นเบ็ด สมัยก่อนอเรื่องนี้ทานสาหรับตำราเก่าไว้ทานตายของคนมันเคยเกิดเคยตายมาเป็นระยะนานแสนนานแลเดลูกร้านหรือญาติมิดบิดามารดาเขาปลุกเราท่านที่เคยเกิดร่วมกันเคยตายร่วมกันมาถ้าหาบิดามารดาในชาตินี้หรือตามีภรรยาในชาตินี้ เขาได้ไปดีได e ้เกิดเป็นเดชประดุจเกิดพิดาแต่สามีภรรยาหรือปีดามารดาในชาติหลังๆก่อนๆอาจจะเป็นเศษเป็นผีอยู่ก็ได้เศษนั้นการทําบุญสุนทานถ้าหาเรามีใจกว้างฟังกวนอุทิศบุญสืบผลสืบจนทำลงไปให้แก่พวกเบญจญาท่างหลายเหล่านั้นรับอนุโมทนาถึงเรียกว่า ปัฏิภานไม่ที่บุญไปเสียพวกเปรดเป็นทางที่จะเกิดบุญเกิดบุญเสรเติมเติมเติมส่งในบุญคุ้มสนติดตนทำลงไปเรื่อยทอดหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นบุญคุสนที่อยทิศไปก็เมือนมีการเสียหายอย่างไรการที่บุญไปเหมือนกันกับคนอื่นเข้ามาสืดไปจากเราไป แต่ไปที่เรามีอยู่ก็เหสิ้นหาไปแต่คนนั้นก็ไม่เสียที่ได้ไปจากเราไปไปถึงเรามีอยู่ก็ไม่ดับยังอยู่ในเป็นสแสงสว่างแจ้งถึงไปประเก่าการอยู่ที่บุญกุศลทันผิวอย่างนั้นที่สั่งเราท่านการถึงเวลา อย่างวันนี้ที่พวกญาติทั่วของพวกเราถือว่าเป็นวันบุญคุณสูงสุดหาพวกเพลสเราก็ะมึงพากันจำเนื้อแล้วบุญกุณสูงสในจิตใจของตนไปให้ใคนเหล่านั้นจะเป็นการไหวพระสวมนต์จึการระดับเราปางทำการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่อการรักษาชีใส่ทานต่าง เป็นทางที่ดีสิงานทู่พวกท่านเหล่านั้นเดินตามกันและเสริมเดินยออยากนี้เพราะเราไม่เป็นคนใจจืดใจจางทําบุญชิ้นทางอะไรก็ยังมีการอุทิศบุญกุศลก่อนนั่นไปให้จะดีอกดีใจเพราะญาติเพื่อชนเหล่านั้นคอยรอลับุญกุศลมาเป็นเวลานานเหมือนกันกับญาต หนีจากกันไปนานเมือม่อมาเยี่ยมบ้านของญาตินี้ญาตินิดเหล่านั้นไม่ดูแลไม่สอนรับอะไรก็มีการเสียใจยเป็นธรรมดาอญาติานิดมีการสอนรับข่าวดีต่างๆอย่างดีอย่างดีพวกคนที่มาเยี่ยมพอดี ด, ดีใจ พอจิตพอใจบัดก็ยังรักใครแต่ดูเราอยู่ชั้นใดพวกเดทั th th th ้งหลายที่วงรับดับไปเสมอกันในเวลาเราเราทำบุญชุนทานเดนเหล่านั้นว่าเรามองเห็นด้วยตาปุจฉะคอยจ้องมองอยู่ทุกทิศทุกทางคอยรับบุญัุสนดญาติีน้องที่ทบุญชุนทานางๆ มีเรื่องการตายเป็นอย่างนั้นจะไปทำมา้าตหายจะไปหา อ, อยาหกหาจินส่วนใดไม่ไ ด, ด้ต้องอาศัยตามของตนที่ทำไว้ต่อเลี้ยงร่างกายรือ้อคืนได้ไหน